เมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพง16สมัยนั้นเมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตอย่างชีพได้ต่อมาพวกพ่อค้าม้าชาวเมืองอุตราบทมีม้าอยู่ประมาณ500ตัวเข้าพักแรมช่วงฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาตระเตรียมข้าวนึ่งเพื่อถวายพระภิกษุรูปละประมาณหนึ่งทนานไว้ที่คอกมา้ารุ่งเชา้าภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชาบิณฑบาตไม่ได้เลยจึงไปที่คอกมา้ารับข้าวนึ่งรูปละประมาณหนึ่งทนานนำไปตําให้ละเอียดแล้วฉันส่วนพระอ น, นุนบดข้าวนึ่งประมาณหนึ่งทนานบนหินบด แล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคพระองค์เสวยข้าวนั้น